ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปอประยุตโตตอนที่54บคุยกันต่อเรื่องอุโบสถก็ถือว่าจบนะลืมพูดไปหน่อยคือเรามาเทียบกับวันหยุดสมัยนี้เพราะนั้นถ้าเราจะมาจัดอุโบสถสมัยนี้โดยมาประยุกต์ หรือมาริเริ่มทาขึ้นใหม่ในลักษณะใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยเนี่ยก็อาจจะใช้คำเรียนแบบหรือเรียนยุคสมัยว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธใช่ก็คือวันอุโบสถเนี่ยเป็นวันหยุดของชาวพุทธแต่ว่าเป็นวันหยุดอีกแบบหนึง่งไม่ได้หยุดในความหมายเดียวกันไม่ใช่ว่าหยุดงานหยุดการจะได้สนุกสนานบันเทิงแล้วก็ ได้กินเหล้าเมายาหรือหาความสุขกันให้เต็มที่ซึ่งแม้แต่ในยุคสมัยนี้มันก็เกินเลยไปเกินเลยจากความหมายที่ควรจะเป็นก็เป็นการเตือนสติคนในยุคนี้ด้วยแล้วก็มีความหมายพิเศษให้มันมีสาระยิ่งขึ้นวันหยุดข้าพุทธคือวันอุโบสถก็เป็นวันหยุดจากการทําบาปอกุศลนะ แล้วก็เป็นการยั้งตัวจากเรื่องของการไหลไปตามกระแสของระบบสังคมที่มุ่งเสพมุ่งหาการบำรุงบำรเรือก็คือการหยุดจากการเป็นทาตของสิ่งเสพและการเป็นทาตของการเสพก็เป็นวันแห่งอิสรภาพที่ว่าไปแล้วแล้วก็เป็นวันแห่งการพัฒนา จิตใจและปัญญาแล้วก็เป็นวันแห่งการบำเพ็ญประโยชน์นี้เคยบอกแล้วว่าอุโบสถเนี่ยท่านจัดเข้าในอนวัชกรรมอนวัชกรรมอยู่ที่ไหนนึกออกไหมฮะอยู่ในมงคลสูตรที่เราสวดกันอยู่ทานนันจะธรรมตริยาจะยาตการ น, านันจะสังฆโหอนวัชชานิกรมมานิ อนวัติกรรมกรรมอันไม่เป็นโทษพออธิบายอนวัชิกรรมท่านก็จะบอกว่าได้แก่การรักษาอุโบสถนี่ก็เป็นอนุวัชอนวัติกรรมแล้วก็วิยาวัจจะกรณะการกระทําวิยาวัจจะวิยาวัจจะนี่เข้าใจไหยฮะวิยาวัจจะอะไรวิยาวัจจะเช่นคำว่าวิยาวัจกรอ่า ทีนี้วิยาวัจจ์เองเนี่ยแปลว่าการขนขวายขนขวายก็คือรับใช้การบำเพ็ญประโยชน์นั่นเองการไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเอาเรี่ยวแรงกำลังของตัวเองเข้าไปช่วยใช้คำสมัยนี้ก็คือรับใช้หรือวิยาวัจั์ก็หรือบำเพ็ญประโยชน์ก็ อ, อยู่ในแนวเดียวกันนั่นแหละ ทีนี้เรามาใช้เป็นศัพท์ค่อนข้างเป็นทางการว่าวยาวัจกรก็หมายถึงว่าเป็นครหัส่าที่มาสมัครใจช่วยเหลือรับใช้วัดก็เลยกลายเป็นตําแหน่งไปมุ่งไปในแง่การเงินการทองแต่ที่จริงวายาวจจนี่มันไม่ใช่หมายถึงเฉพาะการเงินการทองอ่ะหมายถึงว่าไปช่วยรับใช้เขาบําเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น อันนี้ก็เป็นหลักการที่มีมาแต่ดเดิมซึ่งสมัยนี้ก็มาเน้นกันอยากจะให้นักศึกษาอยากจะให้นิสิตไประเพ็ประโยชน์หรืออยากจะให้คนมารับใช้สังคมเน่ยที่จริงสัพท์นี่มันเก่าท่านมีมานานแหละอันนี้ก็วยาวัจจะนี่ก็เป็นอนุวัชกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็ท่านก็ยกตัวอย่างอีกใช่ว่าอารามะวนะ โรปนะการปลูกสวนปลูกปลูกป่าเนี่ยก็แปลกนะฮะคือสมัยโบราณนี่สวนป่ามันก็เยอะอยู่แล้วนะเนี่ยในสมัยพุทธกาลและในสมัยอัตถกานี่ก็ยังถือว่าการปลูกสวนปลูกป่านั้นเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องของการงานที่ไม่มีโทษหรือเป็นประโยชน์ที่ท่านยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการเน้น รู้จะเป็นได้ว่าอินเดียนี่ประสบปัญหานี่มานานแล้วก็คือเป็นประเทศที่เป็นอูห่หรือเป็นถิ่นแข่งอารยธรรมมีความเจริญคนเรานี่มีความเจริญที่ไหนก็จะหักร่างถางพงก็คือทํำลายป่าใช่ไหมปลูกเป็นบ้านเป็นเมืองเขาเรียกก็สร้างบ้านแปลงเมืองเป็นมาตนไหนแต่ไรแล้วเนะี่ยสร้างบ้านแปลงเมืองที่ไหนก็ป่าก็ราบไปน อารยธรรมโบราณนี้ก็สิ้นสุดไปเพราะเรื่องของการที่มนุษย์นี่มาสร้างอารยธรรมแบบของมนุษย์ทำให้เกิดบ้านเมืองขึ้นมาป่าหมดไปแล้วต่อมาแผ่นดินนั้นก็เสื่อมโทรมการเกษตรก็เสียหายต่อมาก็เกิดความแห้งแล้งก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ย้ายถิ่นกันไปใหม่อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งของความเสื่อมของอารยธรรมและที่อินเดียนี้ลองไปดูเถอะ ถิ่นที่เคยเจริญสายสมัยพุทธกาลมาตอนนี้ก็เป็นถิ่นที่ไม่ค่อยเป็นป่าแล้วนะมันจะเป็นถิ่นที่ว่าต้นไม้ต้นไร่เหลือน้อยมันจะเป็นมาตัดเดิมจากตั้งแต่ว่าเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วก็ป่าหมดไปและแม้แต่ว่าบ้านเมืองเรานั้นจะเสื่อมโทรมไปแล้ว ป่าก็ไม่เหมือนอย่างเก่าหรือจะเป็นเพราะว่าคนสมัยหลังมาทําลายกันเรื่อยๆอย่างอังกฤษมาก็มาเอาทรัพยากรธรรมชาติไปเยอะอันนี้มันก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เราคงจะไปสืบยากอยู่พอสมควรแต่โดยทั่วไปแล้วก็เวลาสร้างบ้านแปลงเมืองก็จะทําลายป่าและเรยว่าสมัยก่อนนี้ก็อินเดียก็มีป่าน้อยอยู่แต่ป่าก็มากในพระัตรปิฎก พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในวนณะพคป่าดันั้นวัดก็เป็นพกลงท้ายชื่อกวัณณะเป็นป่าแล้วพระพุทธเจ้าประทับในป่าใหญ่มหาวันที่ติดแคว้นตั้งสองสาแคว้นก็ป่าก็มาแต่ว่าหรือภายในเขตบ้านเมืองนอกป่ามานี่ก็อาจจะมีสวนมีต้นไม้น้อยก็ถือการปลูกสวนปลูกป่านี่เป็น กิจกรรมบำเป็นประโยชน์ที่สำคัญแต่ก็รวมความก็คือถือมานานแล้วและมาในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชก็ถือหลักการนี้ด้วยพระเจ้าโศกนี้ก็คงจะรับคตินี้มานะมาทำประโยชน์สร้างถน น, นสร้างปลูกสวนปลูกปลาปลูกไม้ปลูกสมุนไพรให้แก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายนะสร้างโรงพยาบาลสร้างที่พักแรมคนเดินทาง อันนี้ก็เป็นคติของพุทธศาสนาในการทำอนวัตชกรรมแล้วก็ถ้าก็ยกตัวอย่างอีกว่าเสตุกรณะการสร้างสะพานสร้างสะพานก็ถือว่าอยู่ในพวกนี้ก็บําเพ็ญประโยชน์นั่นเองท่านก็นบอกเป็นต้นงนั้นน่ะเป็นต้นก็คือเยอะแยะนะเอาเป็นว่าการไปช่วยหรือรับใช้บําเพ็ญประโยชน์ต่างๆเหล่านี้นมันก็อยู่ในชุดเดียวกันการรักษาโบสถ์สดนี่คนที่รักษาโบสถ์สด ก็อย่างที่ว่าไม่มาหาสิ่งเสพบำรุงเบรตนแล้วก็เวลามันก็มีขึ้นมาเนี่ยเวลามีอย่างบ่ายก็ไม่ไปหากามสนุกสนานมีเวลาก็ไปประเพณประโยชน์ให้กัสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กิจกรรมอันหนึ่งที่มีมาตลอดในเรื่องของวันโสดก็คือทานเริ่มต้นก็ไปให้ไปถวายพัะตาหารเลี้ยงพระซึ่งถือว่าอยู่ได้ด้วยกา ร, รบำรุงของประชาชนไม่ได้ทาอาชีพเองแล้วก็ ให้ทานตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือพวกคนยากไร้อนาถานคนขัดสนประเพณีตั้งโรงทานก็เลยมีมาแต่โบราณก็ค่อนข้างเรื่องมากกันได้กันกับเรื่องของอุโบสถเนี้ยอย่างเรื่องเวสสันดรก็จะมีว่าในวันอุโบสถซึ่งเป็นวันุบสถสมัยก่อนพุทธกาลที่เล่ามาเมื่อวานนี่บอกว่าอุโบสถสมัยก่อนพุทธกาลนี่ก็มี ปัก1คือครึ่งเดือนหนึ่งก็3วันเดือนหนึ่งก็6วันแล้วก็เป็นวันแรม เ, เป็นวันหนึ่งค่ำ8ค่ำ11ค่ำในคำพีก็เล่าถึงว่าพระเวสสั น, สนดร น, นี่ก็ขี่ช้างออกตรวจดูเนี่ยตรวจดูการมาเป็นประโยชน์ของพระ อ, องค์โดยเฉพาะก็คือโงโรงฐานคงจะตรวจดูความเรียบร้อยการจัด พวกเข้าของที่จะให้ต่างๆนั่นนะนี่ก็ทานก็เป็นเรื่องสำคัญการถวายให้ปัจจัยสี่บำรุงสมณพราหมณ์และคนขัดส ง, างยากไรอนาถาทั้งหลายมาในพุทธกาลก็อย่างอนาถวินิคเศรษฐีนี่ก็แกก็ทำคู่กันเป็นประจำวันหนึ่งก็คือถวายทานแก่พระสงฆ์สองก็เลี้ยงดูคนอนาถายากไร คือคู่กันเลยทำสองอย่างคู่กันหมายความว่าคนอื่นนี่ก็เขาก็เลี้ยงตัวได้มันก็ไม่จําเปน็นก็ให้กันเป็นเฉพาะกรณีแต่ว่าบุคคลสองประเภทนี้เลี้ยงประจํานีเลี้ยงประจําก็คือพระสงฆ์ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพคล้ายๆว่าเป็นเรื่องของเหมือนกันหน้าที่ของค้ารือหัดเลยจะต้องช่วยแล้วก็เรื่องของคนขัดสนยากไร้แต่เรื่องคนขัดสนยากไร้ก็ต้องระวังอย่างที่ว่าว่า ในแง่ของผูป้ปกครองประเทศชาติจะเน้นในการที่จัดอาชีพให้เขามีงานการทําเพราะถ้าโมเลี้ยงกันอยู่อย่างนี้ก็พึ่งตนเองไม่ได้เดี๋ยวก็เลยกลายเป็นเสียนิสัยไปแต่อนาถวินิกเศรษฐีนี่ก็เป็นคนมีทรัพย์ก็เอาทรัพย์มาแบ่งปันอย่างนี้แล้วก็เลยเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่าอนาถวินิกาเศรษฐีเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาเงี้ยนะ เป็นสมยาเลยนะแสดงว่าต้องทําอย่างหนักมังั้นคงไม่มาเป็นชื่อกันล่ ะ, ะเพราะชื่อชื่อแกก็ชื่อสุทัศน์ท่านอนาถวินิกเศรษฐีเนี่ยชื่อตัวว่าสุทธัตต์แต่ว่าคนเลยไม่รู้จักชื่อเดิมเลยเพราะว่าไปเพื่เป็นประโยชน์ทําอย่างนี้จึงกระทั่งว่ากลายเป็นสมยาเป็นกลายเป็นชื่อที่เรียกกันเป็นสามัญว่าอนาถบินิกเกษตี เอาละครับทีนี้ก็นี่เป็นประเพณีเดเิมไปอ่านว่าที่เห็นชัดก็คือเรื่องฐานแล้ส่วนกิจกรรมอื่นก็ดาเนินว่าเพ็่ประโยชน์เข้าไปเป็นวันอุโบสถก็เป็นวันที่มีเวลามีเรียบแรงกําลังมาทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาพัฒนาตนเองในด้านจิตใจและปัญญาอย่างน้อยชีวิตก็เป็นอิสระจากเรื่องของวัตถุเสพไม่หมโหมุ่นหลงแล้วเรื่องโมมาแล้วก็ไม่ชักพายสังคมไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้สังคมมันก็จะ เจริญงอกงามดีขึ้นนี่ก็เรื่องของอโบสถนะก็เป็นวันหยุดของชาวพุทธนี่แปลว่าว่าชาวพุทธหยุดยังมีความหมายหยุดยังมีปัญญาหยุดอย่างผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานไม่ใช่หยุดหลงอมงายหยุดหลงละเลงหยุดหยุดโมเมาหยุดอยู่ด้วยความประมาทหยุดทําบาปอ้หยุดอยู่แล้วก็ไปหยุดงานหยุดการหยุดทําหน้าที่แล้วไปทําบาปอย่างนั้นไม่ใช่แหละไม่ใช่หยุดของชาวพุทธ หยุดชาพุทธก็วันหยุดของชาพุทธก็เป็นวันหยุดจากบาปอากุศลอย่างที่ว่ามานะฮะเพื่อจะได้ไปทำสิ่งที่ดีงามมีเวลาที่ทำสิ่งที่มีค่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตตนและผู้อื่นทีนี้เรื่องอบอสถที่ว่ามานี่ก็อยู่ในระดับศีล น, นะฮะนีที่เรากาลังพูดกันอยู่เนี่ยเรากาลังพูดในะชุดทานศีลภาวนานะ ทานก็พูดไปแล้วศีลก็พูดไปแล้วมาถึงอุโบทสถก็อยู่ในศีลแล้วทานกับศีลก็โยงกันทีนี้ก็มาภาวนาภาวนาก็พูดไปแล้วว่าในที่นี้นั้นท่านเน้นเรื่องเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาพอสําหรับครึมหัดเนี่ยจะมุ่งในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมาทนะานก็เกื้อนหนุนกันนะในวัตถุสิ่งของศีลก็อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียน แล้วภาวนาก็เจริญเมตตาจะให้จิตใจมีพื้นฐานคุณธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสอดคล้องกับพฤติกรรมภายนอกทั้งกายวาจาด้วยแต่ทีนี้เรากลับไปดูความหมายของคำว่าภาวนาซิกหน่อยคำว่าภาวนานั้นแปลว่าการทำให้เป็นให้มีถ้าเป็นนักบาลีก็ต้องสืบจนกระทั่งถึงรากศัพท์เขาเรียกว่าธาตุเลยนะ ตรงนี้ถ้าเป็นผู้ไม่ใช่ผู้เรียนภาษาบาลีก็ไม่จะเป็นต้องรู้ไม่จะเป็นต้องจำแต่บอกมาจากภูธาภูธาบอกว่เาเป็นเป็นทีนี้ภูตัวนี้ก็เอาอุเป็นวะทาตามวิธีของวยากรภาษาบาลีเนเป็นภาวะภาวะความเป็นใช่ในภาษาไทยก็ใช้ภาวะความเป็นเยอะแยะไป ภาวะนนภาวะอย่างนั้นภาวะสงครามภาวะอย่างนั้นก็คือภาวะความเป็นทีนี้เติมตัวปัจจัยทําให้เป็นนาก็แปลาภาวานาแปลว่าการทําให้เป็นอย่างนันนะ้ภาวะความเป็นภาวนาการทําให้เป็นแล้วมีด้วยนะไม่ใช่เป็นอย่างเดียวให้เป็นให้มีก็ตรงกับศับเดียภาษาอังกฤษิร r ก to be นีคล้ายๆกันเบอร์ทวีแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นอยู่คือใช่ไหมเหมือนกันเลยภูธา ต, ตัวนี้แปลว่าเป็นอยู่มีคือคือก็ได้ใช่ไหมเป็นอยู่มีคื อ, น, อนี่ยทนี้เอาเป็นว่าภาวนาก็มาจากตัวกิริยาหรือกิริยาตัวเนี้ย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 นะเจริญก็หมายถึงว่าทําให้มันเกิดมีบ่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อมาก็แปลว่าอบรมนะอบรมการฝึกอบรมฝึกอบรมก็หมายความทําบ่อยๆเหมือนกันนะก็แปลกันไปต่างๆแต่ว่านิยมโบราณนี่แปลว่าเจริญจะเห็นได้จากคาว่าอะไรเช่นเมตตาภาวนาแปลว่าเจริญเมตตา วิปัสนาภาวนาพระเจริยวิปัสนาสมาธิภาวนาพระเจริญสมาธิสมถะภาวนาเจริญสมถะแล้วแต่ไปใส่อะไรก็เจริญอันนั้นแหละนะเลยทานเราจะใช้คำว่าทานภาวนาด้เออไม่ต้องไปภาวนาให้เลยให้เลยเนี่ยอ่าอเนี่ยทานมันเป็นตัวการกระทาอยู่แล้วเนีอันนี้มันทำไว ตัวคุณสมบัติคุณสมบัติต่างๆให้มันเกิดให้มีขึ้นมาอันนี้เป็นอันว่าภาวนาแปลแบบโบราณก็แปลว่าเจริญแต่มาในภาษาไทยนานๆเข้าคำว่าภาวนานี่มันเพี้ยนไปมันกลายเป็นท่องบ น, นภาวนาพุโทโธเขานะว่าไนะกลายเป็นว่าว่าพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจอันนี้มันก็ มีเหตุผลในการเพี้ยนวัลสัพท์ที่เคยพูดไปแล้วในเรื่องมานะเรื่องอะไรต่างๆประมาทที่แปลความหมายเป็นดูถูกไปเนี่ยประมาทหรือรมารณะกลายเป็นเพี้ยนไปอันนี้ก็มีเข้าภาวนาก็ทําไมกลายเป็นท่องบนพึมพึ่งพั ม, ม, มก็เพราะว่าในกระบวนการที่จะฝึกอบรมจิตหรือทําให้เกิดสมาธิเนี่ยมันมีขั้นตอนหนึ่งที่ว่าจะต้องพยายามให้จิตอยู่กับสิ่งนั้น ก็เลยเอาสิ่งนั้นมากําหนดในใจอยู่ตลอดเวลานะไอ้ขั้นนี้ซึ่งเป็นขั้นที่จะทําให้จิตเนี่ยมาอยู่กับสิ่งที่ต้องการเอาจิตมาอยู่กับสิ่งนั้นหรือกํากับจิตให้อยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เลยเอาการพูดถึงสิ่งนั้น บ, บ่อยๆในใจเนี่ยมาเป็นเทคนิคนก็เลยว่า บ, บ่อยๆก็เป็นการกระทําขั้นหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดสมาธิ ทีนี้ไอ้กระบวนการฝึกให้เกิดสมาธิกระบวนการทําให้เกิดสมาธินี่ตลอดทั้งกระบวนเนี่ยเป็นภาวนาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่มาว่าถึงสิ่งที่กําหนดไว้ในใจตลอดเวลานั้นมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการที่จะทําให้เกิดสมาธิก็เลยพอยถูกเรียกเป็นภาวนาไปด้วยใช่ไหมซึ่งถ้าจะมีชื่อเช่นเรียกว่า บริกรรมว่าภาวนาคําว่าบริกรรมก็เลยกลายเป็นอย่างนี้ไปด้วยนะท่องบนว่าว่า ว, า ว, า ว, าว่าว่าอย่าเนี้ยเลยคำว่าบริกรรมกับคาว่าภาวนาเนี่ยในกรณีนี้กลายเป็นคําที่มีความหมายเดียวกันแต่ถ้าที่คําว่าบริกรรมเองก็ไม่ได้มีความหมายอย่างนี้คําว่าบริกรรมเองแปลว่าขั้นเตรียมเยตรียมเตรียมเตรียมประทับบริกรรมนั่แปลว่าเตรียมเชนะ่นอย่างเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนที่บริเวณเนี้ยเราต้องปรับพื้นก่อน การปรับพื้นให้เรียบ เ, ยเพื่อจะได้สร้างบ้านบนนั้นได้นั่นเรียกว่าบริกรรมใช่ไหมทีนี้ในการที่ทํามสมาธิก็เหมือนกันขั้นต้นๆ น, นี้การเตรียมปูพื้นจิตให้พร้อมนี่ก็เรียกว่าบริกรรมอันนี้ภาวนาก็แปลว่าการเจริญสมาธิบริกรรมขั้นเตรียมเอานะไอ้ น, นี่แหละการฝึกสมาธิเจริญสมาธิขั้นเตรียมเนี่ยมันมีการ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 นี้ภาวานานี้ที่แปลว่าเจริญหรือทําให้เกิดให้มีให้เจริญงอก ง, งามฝึกอบรมเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วว่าชุดเต็มขั้นเนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างใช่ไหมสี่อย่างซึ่งเทียบกับชุดใจสิกขาตรสิกขาว่าศีลสมาธิปัญญาอีานี้ว่าพอจัดเป็นชุดสี่ใจสิกขาที่เป็นสามก็ไปเ ป, เป็นภาวานาสี่ภาวานาสี่ก็มีอะไรบ้างครับนึกออกไหมฮะ หกายภาวนาสองสีลภาวนาสามจิตภาวนาสี่ปัญญาภาวนาชุด4นี้นิยมไปใช้ในการวัดผลชุด3มไตรสิกขานั้นใช้ในการกระบวนการฝึกเลยในกระบวนการของการพัฒนาคนอย่างจริงๆเพราะเป็นกระบวนการพัฒนาคนแบบบูรณาการทั้ง3มอย่างนี้ต้องไปได้วยกันมันเกิดขึ้นใน ทุกกรณีมีทั้งสอย่างแต่ทีนี้ภาวนาสี่นั่นไปใช้ในกรณีของการวัดผลเพราะจะไปดูแต่ละด้านว่าได้ฝึกมาแล้วย่างแต่ในเชิงปฏิบัติเวลาฝึกเนี่ยมันบูรณาการ4เดียว4ไม่ได้มันต้องสเพรา ะ, ะน้นต้องจัดเป็นใจสิกข า, านี่อธิบายไปแล้วนะอันนี้ภาวนาก็ใช้ในการวัดผลก็แยกได้ก็เป็นกายภาวนาศีและภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนา อันนี้เป็นการแยกแบบเต็มเลยทั้งระบบแต่ทีนี้เวลาเรามาใช้ในความหมายที่ไปปนกับชุดอื่นเนี่ยเราไปเน้นโดยมีสับเฉพาะอยู่แล้วเรื่องด้านภายนอกเรื่องของข้อปฏิบัติทางกายวาจาหรือออกมาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ย เรามีศัพท์ที่เราใช้จนชินไปแล้วเช่นทานศีลอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยต่อมาหรือว่าในเชิงนิยมก็เอาคําว่าภาวนาเนี่ยมาใช้จํากัดแคบลงก็มานิยมใช้ก็แค่ด้านไหนคือด้านจิตใจกับด้านปัญญาเอาภาวนามาใช้แค่นี้เพราะนั้นภาวนาที่เราได้ยินบ่อยมากก็จะเป็นภาวนาในด้านของจิตและปัญญา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 อันนี้ก็ศัพท์ที่ค่อนข้างให้ความหมายพิเศษภาวนาก็พอพูดอย่างนี้ก็เลยนะว่เาเอานะให้รู้กันหมายเอาด้านในด้านจิตใจและด้านปัญญาการพัฒนาด้านจิตใจก็เรียกจิตตภาวนาการพัฒนาด้านปัญญาก็เรียกปัญญาภาวนาทีนี้พูดอย่างนี้มันก็ยังให้ความรู้สึกว่ากว้างให้เห็นเป็นกระบวนการปฏิบัตินะีก็พูดให้แคบลงไปอีกเป็นสมถะภาวนา การเจริญสมถะแล้วก็ฝ่ายปัญญาในะฝ่ายจิตก็ใช้คําว่าสมถะภาวนาคือให้รู้เลยว่ามุ่งที่ให้จิตสงบนะเนะขาว่าจิตภาวนาพัฒนาจิตนี่มันก็กองว้างอยู่นะพอวัสมถติภาวนานี่หมายถึงการพัฒนาความสงบแห่งจิตเลยนะแล้วทีนี้ฝ่ายปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาก็เจาะจงให้ชัดลงไปว่าหมายถึง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 ทีนี้สมถะภาวนานี้ต้องการอะไรต้องการสมาธิใช่ไหมอันนั้นก็จะเรียกอีกอย่างก็เรียกว่าสมาธิภาวนาก็ได้ก็ไปอ่านว่าตอนนี้มาถึงคำวมภาวนาโดยจํากัดให้แคบลงแล้วนะพอเหลือเป็นสมาธิภาวนาสมถะภาวนากรารวิปัสสนาภาวนาอันนี้ พูดให้สั้นลงไปอีกเหลือแค่สมถะกับวิปัสนาพอเลยนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องใส่คําว่าภาวนาก็ได้เอาแค่คําว่าสมถะกับคาว่าวิปัสนาก็พอแล้วนะแต่ถึงนั้นท่านก็ยังมีการใช้อย่างยาวโดยเติมคําว่าภาวนาเข้าไปด้วยแต่ว่าเรียกสั้นๆก็สมถะกับวิปัสนาก็พอนี้พอเรามาแยกสองอย่างนี่เป็นฝ่ายจิตกับฝ่ายปัญญาก็ชัดอยู่แล้ว อันนี้คนปัจจุบันนี้ก็ยังมีการหลงการสรับสนระหว่างสมถะกับวิปัสสนาก็แยกกันไม่ออกก็ต้องจับหลักการให้ได้ว่าสมถะกับวิปัสสนานี่จุดต่างอยู่ที่ตรงไหนจับจุดต่างให้ได้จุดต่างอยู่ที่บอกแล้วสมถานี่มุ่งสมาธิใช่ไหมเราก็เลยเราเลยมักจะเรียกกระบวนการฝึกทั้งหมดที่จะทําให้เกิดสมาธินี่ว่าสมถะ สมถ า, าก็เป็นกระบวนการตัวการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิแต่ในบางแห่งพระพุทธเจ้าให้คําคว่าสมถ า, าแทนคําว่าสมาธิได้เลยแต่ว่าใช้บ้างบางครั้งใช้แบบหลวมๆถ้าใช้แบบเป็นวิชาการก็จะเป็นวาสมัตถาเนี่ยเป็นกระบวนการฝึกเพื่อจะให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นจุดหมายดังนั้นฝ่ายสมัถาก็ต้องการสมาธิ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 จิตนี้ก็เข้าสู่ภาวะเป็นฌานมีคุณสมบัติต่างๆก็ใช้คุณสมบัติที่มันเป็นตัวยืนสําคัญในจิตนี้เป็นตัวกําหนดว่าเป็นฌานระดับไหนถ้ามีองค์ประกอบอยู่5อย่างเป็นหลักมัไม่ใช่มีแค่นั้นน้ำมีอื่นด้วยแต่ไอตัวที่จะใช้กําหนดมี5ตัวมีวิตกวิจารปีติสุขเอกกัตตาท่านก็นเรียกว่ปาปฐมฌานเพราะว่าแนบสนิทลงไปอีกวิตกวิจารหมดความจําเป็นที่ต้องใช้ก็เหลือปิติสุขเอกกัตาก็เป็นฌานที่สอง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 พอเปลี่ยนเป็นอุเบกขาได้ก็เป็นฌานที่สี่เหลือองค์สองอุเบกขาเอกคตานะีอันนี้ฌานที่สี่นี้เรียกว่าจตุทชาพอได้จดตุทชาแล้วทีนี้มีการเปลี่ยนอารมณ์ของจิตไปเป็นอรูปนะจิตที่เป็นฌานที่สี่นี่แหละฌานที่สี่นี่แหละก็จะมีความประนีตไปเป็นอรูปฌาน เป็นรูปฌานที่หนึ่งที่2ที่3าที่4ไปตามลําดับเรียกชื่อว่าอากาสานณจายตนะแล้วก็วิญญาณญจายตัญนะอากิจยยนะัญญายตนะในวัฏญาณาสัญ ญ, ญาจตนะเป็นรูปฌานสี่อีกก็รวมทั้งหมดฌานทั้งหมดนี้ก็มี8ขั้นเป็นรูปฌานสี่รูปฌานสเรียกจนเต็มๆบางทีก็เรียกว่าสมาบัติ8ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของฌานก็แปลว่า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 ก็ทำให้จิตรู้เท่าทานความเป็นไปสิ่งต่างๆที่เคยยึดเคยถือนะเคยสาคัญมั่นหมายต่างๆ ต, นะตามสมมติก็จิตก็เปลี่ยนไปได้ปัญญานี้ก็เกิดความรู้ความจริงการวางใจวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายต่อโลกและชีวิตก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งว่าเกิดความที่ว่าเป็นอิสระขึ้นมาจิตเรียกว่าหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นไปตามที่ตั้หา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 การรู้อย่างนี้ก็เรียกว่ายานหนึ่งเรียกว่าเช่นว่าเรียกว่านามารูปปริเฉทะยานยานกําหนดรู้หรือกําหนดแยกนามและรูปได้อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามนะแล้วต่อไปก็ปัญญาก็ทําสําเร็จผลอีกขั้นหนึ่งรู้ถึงว่าอออะไรเป็นปัจจัยให้ไอานามารูปนี้ปรากฏในภาวะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากําหนดจับเอาปัจจัยได้ก็เรียกชื่อเป็นอีกยานหนึ่งเป็นว่าปัจจยปริกหายานใช่ไหม นี่ต่อมาญาณเกิดเห็นอาการที่นามรูปนี้มันเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันไปมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่คงอยู่ในภาวะเดิมมันเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันตามสภาวะไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับมันได้นี่อันนี้ก็เป็นสมมสัญาณมาพิจารณาตามใจลักษณปัญญาที่รู้เป็นเรื่องๆๆ อ, เ ร, อ, เ, รอเรื่องอย่างงี้นะฮะ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 อา้าวและเข้าใจว่าแยกได้นะฮะเป็นอันว่าฝ่ายวิปัสสนานี่ทําให้เกิดปัญญาเป็นปัญญาที่รู้เป็นเรื่องเรียกว่างปัญญาคือปัญญาก็คือปัญญาที่ทํางานได้ผลในเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องไปนะฮะดัง น, นั้นคงจะเข้าใจทั้งศัพท์ด้วยคงจะเข้าใจเรื่องหลักการด้วยญาณญาณก็เกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงสุดท้ายเป็นอาสวัคคายานเป็นโพธิการตรัสรู้เลยนีอันนี้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 จากฌานนี้ไปเกิดยานฝ่ายสมุตะเป็นยานที่เรียกว่าอภินยาเป็นประเภทความรู้พิเศษที่ว่าหูทิพตาทิพมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่เห็นได้ยินสิ่งที่คนธรรมดาไม่ได้ยินตนะตาหูมันประณีตอินทรีย์มันคมชัดยิ่งขึ้นนะร่วงรูงอะไรต่างระลึกอะไรต่ ไ, รได้อย่างพวกสกดจิตนี่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 ระ ล, ลึกได้อีกนะฮะกว่าที่จะเข้าปีศาจห น, นึ่งวันนะครับหลังหนึงวันผมไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งก็เกรียณไปแล้วอายุ80ท่านมีลักษณะแปลกบางอย่าตรงที่ว่า พูดคุกับทางโรคแห่วิญญาณได้ oh. ก็ไม่ทราบว่าเพื uh. ่อรลองคุยกับท่านงูคุยกับงรุ่งหลายหลายคร uh. ั้งนะครับี uh. ่้าจาร์กันถว่าหมอหมอหอทเนี้ยนะม uh. ีความเป็นไปได้ไหมโกหกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็รู้ยากอยู่แต่ว่าไม่แน่บางทีก็จิตไร้สานึกพาไปก็ได้บางทีตัวเองก็หลงว่าน่ก็เป็นจริงนะฮะอันนี้มันอยู่ที่ว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงใช่ไหะ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 แล้วรู้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องติดต่อเทวดารู้รู้ได้จิตไร้สํานึกตัวเองนี่แหละจิตไร้สานึกก็ตัวเองมันมีความสามารถอยู่แล้วนะแต่บางทีก็หลอกตัวเองว่าไปรู้จักเทวดา mm hmm. ที่รู้ได้ตัวเองนี่แหละ ย, ยิ่งสําคัญหนักครับอีกคือจิตไร้สานึกมันมีความสามารถพิเศษอยู่แล้วนะนี่ไอ้จิตไร้สํานึกมันทํางานมันมีสมรรถภาพสูงอย่างว่าจิตสํานึกเนี่ย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 ว่าเป็นเคนสวนอะไรเป็นเทพปิยดานั่นแหละลตัวเองไปเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ให้เกียรติในเรื่องนี้นนี้เนี่ยอชาติเป็นอะไรนนี้อดชาติเป็นอะไรเป็นขนาดนั้นเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็คล้ายๆเทคโนโลยีถ้าใช้ดีก็เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่ดีก็เป็นโทษเพราะนั้นท่านจะถือเป็นเรื่องที่ว่าไม่ดี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 มันไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความดีงามความรื่อความประเสริฐอะไรต่างๆไม่เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นอริยะเท่านั้นอันนี้พอสมัตานี่มันทําให้เกิดญาณประเภทนี้ท่านเรียกว่าโลกิยะพิญญานี่พอมาบำเพ็ญวิปัสนาผู้ที่มีฌานเนี่ยจิตมันสงบดีก็บำเพ็ญวิปัสนามีความโน้มเพียงจะง่ายขึ้นเพราะจิตมันพร้อมทีนี้พอบำเพ็ญวิปัสนาด้วย แล้วก็มาได้ยานฝ่ายวิปัสสนาก็ได้อาสวรค์ขย า, ยานชาญาฝ่ายวิปัสสนานี่ทำให้กิเลสอาสวรสิน้นพ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์ทำให้จิตหลุดพ้นได้อาสวรค์ขย า, ยานนี้เลยกลายเป็นตัวสุดท้ายสูงสุดกว่ายานฝ่ายสมถะนะพอจัดเป็นอภิญญาเรียกว่าอภิญยาข้อที่6เป็นโลกุตระอภิญญาก็เป็นอภิญญาหตอนนี้คล้ายๆว่ า, าสมถะวิปัสสนามาผสมมาบจบไม่ใช่ปรผสานมาบรรจบ มันจบกันก็เป็นตัวฝ่ายวิปัสสนาเนี่ยมาเติมให้เต็มครอบยอดให้บริบูรณ์ตราบใดยังไม่ได้อาสาวัคาา ย, ายานแล้วยานฝ่ายสมถะนี้ก็ยังเป็นพุทุชนเป็นโลกียะนะแล้วก็อาจจะใช้ในทางที่ผิดพลาดอย่างที่ว่าแล้วก็เสื่อมไปนะเพราะนั้นต้องระวังเนี่ยเพราะสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยคนไปติดอภินยาห้าฝ่ายโลกี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 แสดงว่าไม่เรื่องภูมิปัญญาสำคัญภูมิปัญญาสำคัญฝ่ายวิปัสนาสำคัญสมถะนี่ถ้าสปูตินก็อาจจะได้บ้างช <c oughs> <c oughs> ่าจมนี่ประครับมีกรณีประเด็นหนึ่งก็คือพวกที่นั่งเทียนเป็นหิ <c oughs> อายุสี่าสิบเนี่ยบางคนสาวบ้านจะไปหลงอยูอ่ตรนกันหยดเทียนอยอเทียนพวกไ้ได้ด้วยชาเหมือนกันแต่ว่าในทางทางวิชา ก็นี่แหละรวมความก็คือจาบใดที่ยังไม่ได้เกิดปัญญาที่ยังรู้สังขารความจริงของชีวิตและโลกความจริงตามสภาวะใช่ไหมมันก็ติดอยู่ในสมมติหมดไอเจ้าโลกิยะอภิญญาเนี่ยมันติดในสมมติเท่านั้นแหะเป็นความรู้มันก็รู้เทียงว่ารู้ด้วยความสามารถพิเศษของจิตเท่านั้นจิตที่ไร้สานึกจิตของตัวเองที่มันเต็มบริบูรณ์นำมาใช้ประโยชน์ได้มาก แต่มันก็เป็นเพียงการอยู่ในภาวะของพลังจิตนะแล้วก็เป็นเรื่องของการยังไม่หลุดพ้นยังติดอยู่ในสมมตนะิเป็นเรื่องของโลกิยะทั้งหมดเพราะ น, นั้นก็ไม่มีความปลอดภัยไม่เป็นความประเสริฐไม่เป็นอริยะทั้งสิน้นะจนกระทั่งว่าไปเจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้ได้ญาณขั้นสุดท้ายเรียกว่าอาสวยายาัคยญาณอันนั้นเป็นโลกุตระอภิญญา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 อราัญญานั่นเป็นตัวที่จะทำให้จัดสรู้ถึงมีสมาธิยังไงมันก็ไม่จัดสรู้ไปได้เพราะว่าก่อนพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติก็ไปเรียนในสำนักของฤาษีดาบทมาเยอะแยะนะได้ฌานอภิญญาได้สมาบัติมาหมดแต่ก็ตันใช่ไหมก็ไปลว่านี่เป็นจุดที่มาบรรจบกันระหว่างสมถะอิปัสสนาให้แยกหลักการนี้ให้ได้เป็นว่าสมถะนี้ ถ้าไม่มาต่อยอดด้วยวิปัสสนาก็เป็นอมตะก็เป็นเหมือนฤษีชีไพรในยุค ก, ก่อนพุทธกาลนะแม้พระโพธิสัตว์ก็เคยเป็นมาแล้วพระโพธิสัตว์ก็ไปจบแค่นั้นตันอยู่แค่นั้นธรรมถาเราวิปัสสนารมัตรธรมรมปฏิญญญ า, ญญาน่นเป็นต้องสัคกันาจะต้องได้ได้ ได้ฌาสมาบัติแล้วไงจึงสามารถเจริญ จ, จ, จึงพัฒนาอภิญญาขึ้นมาเพราะต้องพวกได้อภิญญาโลกีนี่ต้องได้ฌานสุดเลยต้องเรียกว่าจิตนี้ต้องพร้อมเต็มที่เลยเพราะมันเป็นฝ่ายพลังกิตนี่มันต้องเอาเรื่องกิจเรียกว่าภาวะที่เรียกว่าเต็มเปลี่ยมฝ่ายจิตพัฒนาเต็มที่แต่ฝ่ายปัญญานี่มันได้อาศัยฝ่ายจิตพอใช้งานมันไปได้เลยนี่ฮะพอทำสร้างเป็นนิดนึงนะ ก็พูดถึงเรื่องนสมบัติในกรณีของนิโรธสมบัตินี่ก็แสดงว่าอรหันต์รูปก็เข้าสู่นิโรธสมบัติไม่ได้่ไมไม่ได้ไม่ได้ต้องได้สมาบัติ8ด้วยต้องนี่า็เป็นจุดประสานมาบรรจบคือพระอรหันต์ที่ได้ฝ่ายสมถะเต็มบริบูรณ์มาด้วยใช่ไหมก็ทำให้มีความสามารถพิเศษที่เข้านิโรธสมาบัติได้ฝ่ายเจ้าพวก ได้สมถะสุดยอดได้สมาบัติ8แล้วก็ยังเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยฝ่ายพระรหันที่จเจริญสมาธิพอเจ้าเท่าที่จะเป็นแล้วมาต่อยอดด้วยวิปัสนาได้แต่ฝ่ายอาสวัคยายาณไม่ได้ฌานสมาบัติเต็มที่ก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้อีกใช่ไหมเนี่ยทีนี้ต้องคนที่สมบูรณ์จริงๆ ทั้งสองฝ่ายนี้เข้านิโรธสมาบัติได้ไม่เฉพาะพระรนะอรหันนะอนาคามีก็ได้พระอน า, าคามีที่ได้ชานสมาบัติด้วยท่านเข้านิโรธสมาบัติได้พระอรหันที่ได้ชานสมาบัติด้ว ย, รรวยก็เข้านิโรธสมาบัติได้ก็เลยมีสมาบัติที่มาบ จ, จบอีกใช่ไหมฮพระอรหันที่ได้ทั้งสองฝ่ายเป็นขั้นทีน่ท่านเรียวกว่าเป็นอุปโตภาควิมุต การอาหารพวกนี้เป็นผู้หลุดพ้นทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายด้านสมถะและฝ่ายวิปัสสนาได้ทั้งเจโตโวมดุดและก็ปัญญาวิมุตติก็เอาพอได้หลักการนะฮะคงจะแยกได้นะที่แรกบางครั้งจะสับสนแล้วครูซึ่งก็พวกครูบาอาจารย์บางคนก็จบปริญญาแล้วก็ก็จะไปเก็นสิ่งส่วนนี้มีบ้างนะ โอ้ถ้าไม่ได้มีพื้นมาดีแล้วไปตันที่ที่พลังจิตหมดไปติดแล้วก็เลยออกไปสยาศาสตร์ไปออกเรื่องฤิไปหลงเป็นพระเทวะทัตไปเลยจะได้แต่ว่าหมายความบางท่านก็ดีที่ว่าไม่ได้ไปใช้ในทางชั่วร้ายแต่ว่ามันต้องระวังมันจะไปเป็นพระเทวะทั์ได้ง่ายกันนี่แหละพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสู้พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นพุทธกาลชาวพุทธก็ไปไม่รอดชาวพุทธก็มาติดเรื่องหนึง่งเรื่องฤทธิปาติหาริยศาสตรนะ์ที่พระพุทธเจ้าได้แก้มันแล้วนะอุตส่าห์พยายามให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่นะไปเจอชดินชดินก็วัดพระองค์ว่าเป็นอาหารหรือเปล่าไม่ใช่เป็นอาหารอย่างเรานี่คืนนี้ต้องลองฤทธิ์ดูหน่อยะก็เลยแกลง้งนะ น, นั่นแหละติดและบางทีเป็นในพวกชั้นต่ำเป็นอกุศลไปด้วยใช้สนองโลภาโทสะมันก็เข้าคติไอ้พวกรัตทีผีสางเทวดาของฮินดูไปนติดเรื่องเทวดาก็ปฏิบัติต่อเทวดาโดยไม่เข้าใจแทนที่จะพัฒนาคุณธรรมที่จะทำให้เป็นเทวดาในตัวกลับมองอไปหาทางพึ่งเทวดานี่ปฏิบัติต่อเทวดาผิดเรื่องฤทธิปาฏิหารก็ไปมุ่งหวัง วัดดูดวัดความวิเศษวัดความประเสริฐเลิศอริยะกันด้วยลึกลิตรปาฏิหาริย์อีกผิดอีกพะพุทธเจ้าแก้มาแล้วก็ไม่ฟังหรือไม่เรียนแล้วก็มาติดเรื่องลัที่นิครนก็ไปเป็นลัฐที่กรรมเก่าแบบอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมชัดก่อนหรือมาติดเรื่องความมายึดมั่นถือมั่นโดยเป็นกลายเป็นความยึดมั่นในความมายึดมั่นไปอีกแบบนิครนไปอีกใช่ไหมก็ผิดอีก แทนที่จะเป็นความ ม, มายุทมาที่เกิดด้วยปัญญารู้ตามเป็นจริงแล้วปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ด้วยดีตามเหตุตามผลนะอันนี้พุทธศาสนาจุดเนี้ยที่แยกถ้าชาพุทธแยกไม่ได้ก็อันตรายใช่ไหมครับคิว่า ม, มายุทมันถือมันก็เอาอย่างที่ว่าไม่ใช่ลูกของเราเีของเราเหมือนนิครนเปียบที่เล่าเมื่อคืนเนเจนะ้นี่คนเว่าไงนนว่กเอาแล้วนะถึงวันอุโบสถบอกลูกศิษย์ วันนี้แก้ผ้าเดีะไปยึดมั่นอะไรเลยแล้วก็บอกว่าเราไม่ยึดมั่นอะไรมัใจ่ของเราไม่ใช่ของใครถึงนั้นพระสงฆ์เองก็ไปทพิธีด้วยนที่ทใชาวบ้านิอันนี้ก็เป็น่สคัญราก็พระไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนเนี่ยไม่ได้รู้หลักรู้อะไรทั้งนั้นะัะนั้นก็เลยแย่